บทที่หเรียนรู้และพร่ำสอนความใจร้อนอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆอาจเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการของความก้าวหน้าได้พึงตั้งใจทำให้ถูกและก็อดทนรออย่างใจเย็นอย่างที่เคยบอกแล้วปีนี้อาตมาเปลี่ยนไปมากทีเดียวเพราะคิดว่าจะไม่จริงจังกับผลลัพธ์อีกต่อไปปฏิกิริยาที่เราโต้ตอบออกไปนั่นแหละที่ทาให้เราหมดแรงพึงตามรู้และปล่อยวางเสีย ชีวิตของอาตมาดีขึ้นมากตั้งแต่เลิกมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับใครอาตมาอยู่อย่างอดทนยิ่งเมื่อใดที่ยอมรับได้แล้วว่าเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวและยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้แล้วนั่นแหละเราจึงจะสามารถพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีและเปี่ยมด้วยความหมายกับผู้อื่นได้ความสัมพันธ์แบบที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นถือโอกาสใช้ประโยชน์จากเขาหรือพยายามควบคุมเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไร้ความหมาย และไม่มีทางยืนยาวไปได้เลยและไม่มีทางยืนยาวไปได้นานสัมพันธภาพดีๆจึงหายากแม้แต่ระหว่างคนในครอบครัวเดียวกันเรามักคิดว่าเรารู้ว่าอะไรดีแล้วความคิดแบบนี้ทำให้เราทึกทักเอาเองว่าเราเป็นคนดีถ้ายังไม่เห็นว่าตัวเองมีความเลวอย่างไรบ้างเราก็ยังไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงคุณมีสติตามรู้อยู่เสมอหรือเปล่าที่คุณคิด แทบจะตลอดเวลาก็คือทํำไมคนมันถึงเร็วได้ขนาดนี้นะอัตมาทําให้ทุกขของอัตมามีความหมายขึ้นมาดีใจที่อัตมาเข้าใจในชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้นเราต่าง ม, มีอุดมการณ์กันอยู่ไม่มากก็น้อยคุณมองชีวิตโดยไม่นําเอามุมมองทางศาสนาใดๆมาเกี่ยวข้องได้หรือไม่คุณขมขืนและหดหู่ เพราะต้องเก็บกฎความขมขื่นเอาไว้เกือบทุกคนต้องดิ้นรนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อจะสร้างหรือปกป้องความสำคัญและน่ายกย่องของตัวเองเอาไว้เราถูกความดีเรียกร้องและเราก็เชื่อง่ายๆว่าคนดีมักเป็นที่รักของทุกคนซึ่งกลายเป็นภาพลวงตารกแรกของเราสาร้ายความซื่อสายไร้เดียงสายัางเป็นความอ่อนแอเมื่อพูดถึงความไร้เดียงสา ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการกําหนดขอบเขตว่าผู้ที่ร้ายเดียงสาควรจะใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอได้แค่ไหนเราควรจะยอมให้ใครต่อใครเอาความร้ายเดียงสามาเป็นเลขกลในการดำเนินชีวิตมากน้อยแค่ไหนรอนโลเมอาตอมาไม่ใช่คนร้ายเดียงสารู้ตัวดีว่ามีทั้งด้านดีและด้านร้ายอาตอมาพบปะพูดคุยกับผู้คนมากเกินไปและนานเกินไป จิตใจของอาตมาจึงเร่งด่วนขึ้นกลายเป็นคนคิดเร็วพูดเร็วอาการเรียบเร่งนี้ไม่ดีเลยมันทำให้จิตใจของเราไม่สงบดีที่อาตมาได้มาอยู่ที่นี่สถานที่ซึ่งสงัดเงียบและสุขสงบอาตมาคงจะต้องพยายามเข้าไปสัมผัสความนิ่งสงบลึกลงไปในจิตใจเสียทีการข้องแวะกับเรื่องราวทั้งโลกมากเกินไปทาให้เราสนใจคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตน้อยลง อาตมามีชีวิตยอยู่เพื่อสิ่งใดกันหรือนี่การอยู่ตามลําพังสําคัญยิ่งต่ออาตมาจะได้เข้าไปสัมผัสสิ่งที่อยู่ถึงก้นบึ้งของจิตใจหาเรายังสื่อสารกับตัวเราเองไม่ได้แล้วจะสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างไรเมื่อยังไม่เข้าใจแม้แต่ตนเองนี่แหละคือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ขาดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้อื่นไปด้วยผู้คนส่วนใหญ่จึงเปล่าเปลี่ยวเดียวดายวันนี้แดดดีจริงๆต้นไม้พายพฤกษ ที่นี่โตเร็วมากจนร่มครึ้มกอไผ่แทงหน่อนอ่อนขึ้นมาหลายหน่อนมันอวบใหญ่แข็งแรงดูงดงามโตเร็วดีจริงๆมันช่างเปี่ยมด้วยพลังมากมายที่จะเติบโตฝูงนกกำลังร้องเพลงขับกล่อมกันเจ้านกเขาประสานเสียงมาจากหมู่ไม้ไกลๆตรงโน้นเจ้าตัวกระจ้อยร่อยเสียงแหลมตรงนี้ก็ประสานเสียงกับเสียงผิวปากของตัวอื่นๆตรงนั้นฟังเพลินไพเราะจับใจ นกพวกนี้ช่างร่าเริงดีแท้สายลมโชยเบาๆผ่านแมกไม้มาปลอบจิตปรมใจส่วนเจ้าผีเสื้อสวยก็โบยบินชวัตเวียนอวดบีกสวยไปมาคุณชอบเสียงเพลงคลาสสิกไหมตอนยังหนุ่มอาตมาชอบฟังเพลงคลาสสิกมากตอนนี้ก็ยังพอจะจดจําบางเพลงได้อยู่อาจจะฟังแปลกไปสักหน่อยเกี่ยวกับเพลงคลาสสิกนี่ทั้งโมซาร์ทโชแปงชูเบิร์ตสตา์เบทเทเฟน รักมานินอฟลองหาแผ่นดีๆมาเปิดฟังสิดนตรีก็เป็นภาษาอย่างหนึ่งเป็นบทกวีที่งดงามและลุ่มลึกหากคุณหาน็อกเท่ลของโชวแปลงได้ก็ฟังเถิดเพลงจะเล่าเรื่องทั้งหมดของชีวิตให้คุณฟังมักคาสู่ความพ้นทุกข์หาได้ยากเกินเอื้อมสำหรับใจที่เป็นกลางเมื่อได้ที่ไร้ทั้งความชอบและความชังทุกอย่างจะ ก, กระจ่างชัดไร้ภาพลวงตา งาความคิดก่อปัญหาขึ้นมามากมายและมันก็ยังพยายามจะแก้ปัญหาเข้าไปอีกท้งปัญหาและทางแก้ปัญหาจึงเกิดต่อเนื่องไปในจินตนานการไม่หยุดหย่อนยิ่งขาดสติเท่าใดก็จะยิ่งสับสนมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้อาตมา ก, กำลังอา่าน Memories, Dreams, Reflections ความทรงจำความฝันการคุ้นคิดคำหนึ่งของของ่าวจงอีกครั้ง คุณเคยกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ในจดหมายฉบับหนึ่งนี้นะอาตมาอยากให้คุณกลับไปอ่านหน้าสาสิบสามถึงสามสิบสี่กับสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าอีกครั้งอาตมาเองก็รู้สึกว่ามีสองบุคลิกที่แตกต่างกันอยู่ในตัวเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแม้ว่าพ่อแม่ของอาตมาจะเป็นผู้ให้กําเนิดร่างกายนี้มาแต่ตมารู้สึกว่าตัวเองเอาวุโสกว่าท่านทั้งสองมากทีเดียวอาตมาเคยเล่าให้เท็เท็ด บุตสาวคนโตของพระอาจารย์ฟังถึงเรื่องนี้วิฉะนั้นเธอจะไม่มีวันเข้าใจอัตมาเลยแรกๆอัตมาก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าเพราะเหตุใดจึงทําอะไรบางอย่างลงไปจนกระทั่งเริ่มรู้จักภาคที่อาวุโสกว่าของตัวเองได้นั่นแหละจึงได้แจมแจ้งขึ้นมาอัตมาในภาคอาวุโสรู้ดีว่าชีวิตนี้สั้นนักและยังมีเรื่องที่พึงทําให้สําเร็จรออยู่อีกมากมายความเข้าใจที่ล้าลึก มันน่าพึงพอใจกว่าความหมายทราบซ่านระทึกใจที่ไร้ค่ามากชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างเปลี่ยมด้วยความหมายมีความสําคัญเหนืออื่นใดอาตมากําลังวางแผนการศึกษาให้ลูกๆซึ่งหมายความว่าอาตมาจะสอนเรื่องชีวิตจิตใจมนุษยสัมพันธ์การสื่อสารทัศนคติที่ถูกต้องความหมายวุฒิภาวะความรื่นรนและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการดํารงสติเท็จเท็เก้าวหน้าไปได้ ดีทีเดียวกับการตามรู้จิตของตัวเองซึ่งช่วยให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันเซนเซนบุตรสาวคนเล็กของพระอาจารย์เองก็เริ่มที่จะตามรู้อารมณ์และความรู้สึกต่างๆของตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆเธอทำสแกนร่างกายได้ด้วยนะสแกนร่างกายน่าจะหมายถึงเทคนิคการเจริญกรรมฐานแบบหนึ่งที่สอนโดยท่านบรมครูอูบาซินแห่งส า, าพพม่า ในอาการปฏิบัติของท่านได้รับการเผยพระรกออกไปอย่างกว้างขวางทั่วโลกโดยท่านอาจารย์เอเอ็โกเกาซึ่งเป็นศิษย์ชาวอินเดียของท่านฉันขออ้อนวอนเธอให้อดทนกับทุกๆคำถามที่ยังแก้ไม่ตกในหัวใจขอเพียงเพียงพยายามที่จะรักคำถามเหล่านั้นราวกับมันเป็นห้องหับหรือตำรับํำราที่จาร์ไว้ในภาษาอื่นที่เธอไม่รู้จักอย่าพยายามดินรนหาคำตอบที่เธ อ, อยังไม่มีวันหาพบในตอนนี้ เพราะถึงอย่างไรเธอก็ยังคงอยู่กับมันไม่ได้อยู่ดีที่จะแนะนำก็คือพึงใช้ชีวิตอยู่กับทุกๆอย่างอยู่กับคำถามพวกนั้นให้ได้ไปพลางๆและบางทีในอนาคตข้างหน้าเธอจะค่อยๆกลืนเข้าไปอยู่ในคำตอบนั้นได้เองโดยไม่รู้ตัวเลเนอร์มาเรียลิเกบทความนี้งดงามใช่ไหมมันช่างอ่อนไหวและลุ่มลึก ทัศนคติที่ถูกต้องจำเป็นยิ่งสำหรับการกระทำทุกอย่างจงพยายามค้นหาให้พบว่าทัศนคติที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงานช่วยให้พัฒนาได้ไวพึงทำสิ่งที่ถูกต้องโดยอย่าใส่ใจถึงผลของมันจนเกินไปอาตมาคือนักเรียนหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นไปได้ตลอดไปอาตมาไม่มีวันเป็นครูแต่ก็พร้อมจะแบ่งปันสิ่งที่ เ, เรียนรู้มากับผู้อื่น มันแตกต่างจากการสอนคุณบอกว่าหน่อไม้ไม่ดีต่อสุขภาพคุณพูดถูกทีเดียวตอนนี้อาตมาเลยพยายามเลี่ยงมันแม้จะตัดสินว่าเจ้าหน่อไม้นี้ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างน้อยก็สุขภาพของอาตมาละ่ะแต่ก็ไม่ได้นิสิตมิตรติเตียนมันถึงจะหลีกเลี่ยงไม่ฉันหน่อไม้ก็ไม่ได้แปลว่ารังเกียจมันอาตมายังคงรักและมองไม่เห็นความผิดของมันเลยอาตมาเล่าให้เพื่อนฝูงฟังว่าหน่อไม้ย่อยาก เพราะมันไม่ค่อยสมยอมกับคนที่มีระบบย่อยไม่ดีนักหากไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองเราจะไม่มีโอกาสเห็นความเป็นจริงได้เลยความไม่ซื่อสัตย์คือเมฆหมอกที่บดบังจิตใจของเราผู้ใดมุ่งมั่นที่จะชักชูงคนให้คล้อยตามความคิดของตนผู้นั้นคือคนโป๊ปหมดเท็จและน่ารำคาญของสังคมผู้ใดดิด้นรนสแสวงหาสาธุสิทธิ์ผู้นั้นคือนักแสดงแห่งโลกมายาโลกนี้ช่างมักไปด้วยบรมครู ที่ปรารถนาจะโอ้อวดอยู่มากมายมีสถานที่แห่งใดไหมที่จะไปถึงโดยไม่ต้องเดินทางธรรมะอยู่ในการดำเนิชีวิตไม่ใช่อยู่ในตำรับตำราหากคุณยังไม่เข้าใจชีวิตซึ่งคุณกําลังประสบอยู่ในขณะนี้คุณก็ยังไม่เข้าใจธรรมะไม่ว่าคุณจะอ่านตำรับตำรา ม, มาสัากกี่เล่มก็ตามหากคุณยังไม่เข้าใจชีวิตการถกเรื่องธรรมะก็เป็นเพียงเกมวัดความรอบรู้เท่านั้นเองบางคนคิดว่า เมื่อรู้ทฤษฎีทั้งหมดก็เท่ากับรู้ทุกเรื่องมันห่างไกลความเป็นจริงเอามากทีเดียวไม่มีทฤษฎีบทใดอธิบายการทํางานของธรรมชาติได้ทั้งหมดแต่และทฤษฎีอธิบายได้เพียงบางส่วนเท่านั้นอาตมาเบื่อที่จะคุยกับคนที่ไม่เคยคิดอะไรเองเอาแต่อ้างจากตำรับตาราเชื่อตําราโดยไม่เคยกังขาหรือสงสัยใดๆแม้แต่การคุยกับโยมเอก็ยังน่าเบื่อเขาก็แสนจะดีและไร้เดียงสาอยู่หรอก แต่ความร้ายเจงสาของอาตมามันหมดไปแล้วคนอ่านแผนที่ย่อมจะนึกเห็นภาพที่แตกต่างไปจากพื้นที่จริงแผนที่มีประโยชน์อยู่บ้างหรอกแต่ถ้าไม่มีมันเราก็อาจจะหลงทางแต่คุณก็ต้องลงมือเดินทางเข้าไปสำรวจพื้นที่นั้นด้วยตัวคุณเองเพื่อจะเข้าใจว่าพื้นที่จริงๆของแผนที่นั้นมันเป็นอย่างไรซึ่งแม้ว่าจะสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันแต่แผนที่กับพื้นที่จริงก็แตกต่างกันลิปลับทีเดียวแผนที่ เป็นเพียงการแปลพื้นที่จริงลงมาใส่กระดาษให้ดูง่ายๆเท่านั้นเองอัตมามีความเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวเป็นผู้สอนก็คือพยายามทําความเข้าใจธรรมะให้ลุ่มลึกลงไปหากคุณสนใจธรรมะอย่างจริงจังอยู่แล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้คุณขวนขวายต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งพักรออย่าเพิ่งพอใจจนกว่าคุณจะเรียนรู้จนถึงก้นบึง้งคุณก็รู้นี่ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงก็คือ การเป็นครูบาอาจารย์ที่ขาดประสบการณ์เป็นผู้สอนธรรมะขาดทั้งประสบการณ์ด้านการเรียนรู้และการปฏิบัติการเรียบร้อนอยากเป็นครูจนเกินไปก็อาจเป็นอุปสรรคสำคัญของการปฏิบัติธรรมหากจยากเป็นครูคุณก็ต้องรู้จักสร้างสรรค์เพียงแค่เรียนรู้แล้วเอามาถ่ายทอดต่ออีกทีมันไม่เพียงพอหรอกคุณต้องเข้าใจผู้อื่นเข้าใจชีวิตของเขาปัญหาของเขาความสามารถของเขาความสนใจของเขา แล้วจึงจะเลือกวิธีพูดวิธีสอนให้เขาเข้าใจและเชื่อมโยงกันได้ผู้เป็นครูจะต้องสอนให้ิทธิ์เข้าใจปัญหาของตนเองในมุมมองของธรรมะได้คอยแนะนำอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าเขาจะสามารถเห็นธรรมชาติแท้ๆในชีวิตของตนเองตามที่มันเป็นจริงด้วยประสบการณ์ของเขาเองคุณจะทำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถเข้าใจทุกๆด้านในชีวิตของคุณเองเสียก่อน ทั้งประสบการณ์ปัญหาความเจ็บปวดรดร้าวความสุขความเบิกบานความหวังความฝันฉะนั้นอันดับแรกเข้าใจตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยช่วยคนอื่นเพิ่เข้าใจด้วยว่าธรรมะเป็นของสากลธรรมะไม่เคยตกรุ่นล้าสมัยและเหมาะอย่างยิ่งกับทุกๆวัฒนธรรมอมาารเคยได้ยินว่ามีครูบางคนบิดเบือนธรรมะให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนเอง เพื่อจะได้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นธรรมะที่ถูกบิดเบือนก็ไม่ใช่ธรรมะอีกต่อไปคนเช่นนี้ขาดเกินกว่าจะรองชีวิตอยู่กับสัจ ธ, ธรรมหรือมิฉะนั้นเขาก็ยังคงแยกแยะไม่ออกระหว่างกุศลกับอกุศลอกุศลจิตไม่มีทางกลับกลายเป็นกุศลจิตได้ไม่ว่าคุณจะเกิดในวัฒนธรรมแบบใดก็ตามฉะนั้นจึงต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากจึงจะยอมรับสัตธรรมมองเห็นสัตธรรม ปฏิบัติตามสัจธรรมและพูดแต่สัจธรรมถ้าจะสอนอาตามาต้องการจะสอนแต่สัจธรรมหรือไม่ฉะนั้นก็ไม่สอนเสียเลยคงไม่สอนแบบครึ่งคึ่งกลางๆอย่างไร้สาระแต่ก่อนอื่นอาตามาคงต้องเห็นสัจธรรมของตนเองและมีชีวิตอยู่กับมันให้ได้เสียก่อนอ น, นิจจังความไม่เที่ยงที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือระดับโลกิยะการอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเกิดความเข้าใจในอ น, นิจจังเป็นเพียงปัญญาทางโลก ต้องรอจนกระทั่งคุณเกิดประสบการณ์ด้วยตนเองในปัจจุบันขณะคุณจึงจะเข้าใจอนิจจังที่แท้จริงมันต้องไม่ได้เกิดจากการคิดปล่ตรองใดๆยากจริงๆที่จะอธิบายทุกอย่างลงในจดหมายได้เหมือเรื่องต้องพูดมากมายแต่เนื้อที่มีเพียงน้อยนิดหากสิ่งที่อาตมา ก, กล่าวมานี้มีความหมายกับคุณบ้างอาตมา ก, ก็พอใจแล้วอาตมาชอบทํางานอิสระไม่คิดว่ามันเป็นความถือดีหรอกนะแต่เป็น ความนับถือตัวเองมากกว่ายัางจำได้ดีว่ามีคนวิจารณ์อาตมาหรือคนพูดถึงการที่อาตมาไปทำหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาในสหรัฐอเมริกาอาตมาทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ยังเรียนมัธยมแล้วอาตมาเชื่อว่ายิ่งคนมีความรู้และปัญญาเพิ่มขึ้นมากเพียงใดคุณก็จะเป็นผู้ให้คาปรึกษาได้ดีเท่านั้นจะปั้นผู้ให้คำปรึกษาขึ้นมาจากคนที่ไม่มีแววเลยคงทาได้ยาก มันก็เหมือนกับความเป็นศิลปินนั่นแหละผู้ที่สนใจชีวิตและปัญหาของผู้คนอย่างจริงจังเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้คําปรึกษาฝีมือดีได้ครูผู้สอนธรรมะกับผู้ให้คําปรึกษาต่างกันตรงไหนหรืออาตมายังมองไม่เห็นความแตกต่างเพราะท่างก็ทํางานแก้ไขปัญหาให้ผู้คนเหมือนๆกันครูสอนธรรมะเก่งๆก็คือผู้ให้คำปรึกษาฝีมือเยี่ยมนั่นแหละ อาตมาเชื่อว่าพระพุทธองค์คือผู้ให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดคุณเห็นด้วยไหมเพื่อนรักการก็ไปศึกษาชีวิตแค่บางส่วนหรือแยกส่วนเฉพาะเจาะจงลงไปนั้นไม่ได้ผลหรอกเราต้องเข้าใจในให้รอบด้านทุกด้านในเมื่อทุกๆส่วนของร่างกายเราเองก็เชื่อมโยงถึงกันหมดชีวิตก็ไม่ต่างกัน ท, กทุกด้านของชีวิตล้วนโยงใยเกี่ยวพันถึงกันและกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจเพศสัมพันธ์ อารมณ์ความฉลาดรอบรู้สังคมและจิตวิญญาณเมื่อใดที่คุณพยายามแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากกันชีวิตก็จะขาดความสมบูรณ์และความสมดุลไปเหลือแต่ความขัดแย้งหยุดชะ ง, งักราวกับชีวิตเป็นอัมาาพาตจะทาสิ่งที่คุณไม่ได้รักจะทำจริงจริงเราสิ้นเปลืองเวลาของชีวิตไปมากแล้วกับการฝืนใจทําสิ่งที่ไม่ชอบทําตามหน้าที่บ้างละทําให้ผู้อื่นพอใจบ้างละทําเพราะเกงใจบ้างละพอแล้วกระมัง อาตมาแก่ลงทุกวันคุณก็เหมือนกันไม่มีเวลาให้สนเปล่าอีกแล้วสมัยที่ยังเล่าเรียนอาตมาเคยศึกษาเรื่องงมงายและความเชื่อในพูดผีศิยศาสตร์ของผู้คนแต่ถ้าอาตมาอยากเสียอารมณ์กับการเฝ้าคํานึงถึงแต่ความผิดพลาดของผู้คนแล้วก็คงต้องหงุดหงินไปทั้งชาตินั่นแหละคุณอยากมีชีวิตอยู่อย่างนั้นรึอคาถามมีเพียงเท่านี้เป็นคําถามที่สําคัญที่สุดสําหรับอาตมาในตอนนี้โทสะความรังเกียจ นำมาแต่ความเจ็บปวดรุดร้าวเราเลิกเสียเวลากับการถกเถียงเรื่องความงงงงายของผู้คนกันดีกว่าหันมาใส่ใจเอาสติรับรู้กิเลสของตัวเองให้มากขึ้นไม่ดีหรืออย่าคาดหวังว่าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้อวิชชาปัจจยาสังขาราพลังที่มืดบอดย่อมนำไปสู่การกระทำที่มืดบอดจอกจากเราจะเสียอารมณ์กับคนที่เคร่งศาสนา เคร่นครับกับจารีตประเพณีจนไม่ยอมเปิดใจและยังต้องมังนุนอิดกับพวกช่างสงสัยที่ไม่ยอมเชื่ออะไรสักอย่างซึ่งก็เป็นความไม่เปิดใจในอีกรูปแบบหนึง่งพวกนี้ไม่ยอมแม้จะจะลองมีสติต้องรออีกนานแค่ไหนผู้คนทั้งหลายจึงจับเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นอาตมาสนใจการบำบัดมากเพราะเห็นว่าการบำบัดน่าจะมีประโยชน์นักบำบัดฝีมือดีที่เป็นนักเจริญสติเก่งๆน่าจะช่วยผู้คนได้มาก เขาหรือเธอผู้นี้น่าจะช่วยให้คนไข้มีโอกาสเข้าใจปัญหาที่ตนเองอัดแน่นเอาไว้ได้อัตมาสนใจผู้คนอย่างจริงจังเกือบ20ปีแล้วที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษามันไม่ใช่อาชีพแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองมากกว่าอัตมาเคยอ่านตำราเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับปัญหาในจิตใจของชาวตะวันตกม า, มากถึงจะช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดของเขาไม่ได้แต่อัตมาก็ตั้งใจจริงจังที่จะเข้าใจพวกเขาให้ได้ แต่มาเคยช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวเองได้หลายคนต่างคนสามก็มีปัญหาแตกต่างกันไปคุณเองก็มีคุณสมบัติดีๆอยู่มากเพียงแต่ต้องพัฒนามันขึ้นไปอีกหากคุณเข้าใจธรรมะทั้งปริยัตและปฏิบัติก็จะช่วยผู้คนได้มากมายและยังทำให้ชีวติตของตัวเองเกิดประโยชน์และมีค่าขึ้นอีกด้วยคุณเคยอยากจะพูดอะไรแต่พูดไม่ออกบ้างไหมหรือคล้ายๆกับคุณมีคลังสมบัติอยู่แต่หากุญแจไม่พบ คุณต้องพอใจกับชีวิตและวิธีการดำรงชีวิตของตัวเองเสียก่อนจึงจะช่วยคลายก็ได้การรู้จัก จ, กจิตใจตัวเองอย่างลึกซึ้งจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งจบจนกระทั่งคุณเห็นจิตใจของตนเองได้กระจางแจ้งทะลุโ ป, ปร่ปรงคุณจึงจะมีชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบตัวเองได้อย่างไร้ข้อขัดแยง้งตอนนั้นแหละที่คุณอยากจะทําอะไรก็ทําได้ทุกอย่างเมื่อมีสันติสุขในจิตใจจะช่วยผู้อื่นหรือจะเลือกอยู่เฉยๆก็ได้ทั้งสิน้น อย่าเพิ่งพรีผามร่มกระบวนเผยแผ่ธรรมะไปสู่โลกตะวันตกเลยใจคุณต้องสงบเสียก่อนทำความเข้าใจกับกิเลสและข้อจำกัดของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบเย็นและเปลี่ยนความหมายได้แล้วค่อยคิดที่จะช่วยผู้อื่นให้ได้เรียนรู้บ้างเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบเย็นและเปลี่ยมความหมายได้แล้วค่อยคิดที่จะช่วยผู้อื่นให้เรียนรู้ได้บ้าง เพิ่งใคร้ครวญและสังเกตดูว่าการกังวลเรื่องคนอื่นมากเกินไปก็ดีการดิ้นรนอยากช่วยเหลือเขาก็ดีความปรารถนาที่จะเผยแผ่ธรรมะสู่โลกตะวันตกก็ดีหรือแม้แต่ความกังวลเกี่ยวกับการนำธรรมะไปใช้อย่างทุจริตในโลกตะวันตกก็ดีอาจจะเป็นเพียงแค่ทางออกที่เราใช้หนีความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าเท่านั้นก็เป็นได้ที่ถามว่าเป็นไปได้หรือที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างเป็นสุขได้อาตมา ก, กำลังพยายามหาคำตอบอยู่นะ การอยู่เฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยมันไม่ง่ายหรอกโดยเฉพาะในอเมริกาที่ยึดหลักว่าชีวิตต้องมีอะไรทําหากไม่ได้รับความอนุเคราะห์เกื้อนหนุนจากคนที่รักและใกล้ชิดแล้วโอกาสที่จะได้เสางหาสถานที่เงียบๆเพื่อจเจริญกรรมฐานแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยต้องมีใจเข้มแข็งมากจึงจะทําได้แต่หากมั่นใจในสิ่งที่คุณต้องการจะทําก็พึงลืมไปเลยว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรกับคุณแล้วเดินหน้าทําในสิ่งที่ต้องการ พระพุทธองค์ก็ทรงทำอย่างนั้นมาแล้วหากได้พบที่สงบนั้นแล้วอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างก็แล้วกันอาตมาดีใจที่คุณหาเวลาเจริญกรรมฐานได้บ้างแล้วในประเทศที่มีเรื่องมากมายให้ทําและเต็มไปด้วยของล่อใจอย่างอเมริกานั้นไม่ง่ายเลยที่ใครจะยังเจริญกรรมฐานอยู่ได้คนส่วนใหญ่ได้แต่แก่ลงไปวันๆทําโน่นทํานี่ไปเรื่อยๆหาความพอใจแท้ๆกับอะไรไม่ได้สักอย่างเดียว อาตมาไม่ต้องการจะมีธุระวุ่นวายการวุ่นวายกับธุระที่ยุ่งเหยิงเป็นการสิ้นเปลืองชีวิตเวลามีธุระยุง่งเราจะฝังตัวเองลงไปกับมันจนมองไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราบ้างเราจะขาดสติด้วยเหตุ น, นี้อาตมาจึงไม่อยากเป็นครูที่มีธุระวุ่นวายอาตมาย้ำเรื่องนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะอยากให้คุณเข้าใจที่คุณอยากให้อาตมาไปอเมริกานั้นต้องขอขอบคุณ แต่จะให้อัตมาไปทําอะไรไปสอนรึอไปมีธุระวุ่นวายอยู่นั่นหรือคุณจะให้อัตมาไปสอนอะไรสอนสิ่งที่อ่านจากตารามานหน่งรือพระไตรปิฎก ค, คือขุมทรัพย์มหาสมบัติที่รวมคําสอนและคําแนะนําไว้อย่างกระจ่างแจ้งคุณเองก็เรียนภาษาบาลีได้ไม่ยากหรอกแค่เรียนสักปีหนึ่งคุณก็รู้ภาษาบาลีมากพอจะอ่านพระสูตรต่างๆได้เองไปจนตลอดชีวิตแล้ว การรู้แต่วิธีปฏิบัติอย่างเดียวไม่พอหรอกหากคุณคิดจะเป็นผู้สอนยิ่งไปกว่านั้นความมั่นใจจากการที่เราอ่านคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ออกได้ด้วยตนเองมันมันยายไม่ถูกจริงๆการไม่ต้องพึ่งพาใครมาแปลให้ช่างเป็นความโล่งใจอีกทั้งคำแปลทั้งหลายมันก็ไม่ค่อยจะครบั่วนักด้วยเมื่อใดก็ตามที่การดำเนชีวิตของเราผิดแปกไปจากเดิมเราจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายแตกต่างไปด้วย ยามใดที่คุณเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ๆคุณก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างออกไปจนกระทั่งอาจรู้สึกว่าวัฒนธรรมเดิมแตกไปแล้วสำหรับคุณตาของเราจะคมขึ้นจนมองเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนคุณค่าต่างๆก็เปลี่ยนไปเราจะเข้มงวดน้อยลงเปิดใจกว้างขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไปจากเดิมทาให้คุณตื่นตัวมนันดึงเอาธรรมชาติด้านอื่นๆของคุณออกมาใช้ คุณจะถูกบีบบังคับให้ดึงความสามารถที่ไม่เคยต้องใช้ตอนที่ยังอยู่ในถิ่นที่คุ้นเคยออกมาเป็นความสามารถที่คุณไม่รู้ด้วยซ้าว่าตนเองมีอยู่ฉะนั้นการได้ไปอยู่ต่างแดนท่ามกลางคนแปลกหน้าในวัฒนธรรมที่แตกต่างจึงมีประโยชน์มากหนังสือคือเมทติดีที่สุดของอัตมามันเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตช่วยให้เข้าใจโลกได้กว้างและลึกซึ้งขึ้น อาตมาตั้งใจว่าจะอ่านไปเรื่อยๆจนกว่าตาจะมองไม่เห็นไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดจากนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอาตมาจะดำรงชีวิตที่เหลืออยู่กับการอ่านหนังสือเจริญกรรมฐานเดินเล่นในป่าพูดคุยกับผู้คนบ้างในบางโอกาสมีชีวิตเรียบง่ายและเงียบสงบไม่เหลืออะไรให้กังวลอีกเลยเมื่อเย็นวันนี้อาตมาได้คุยกับเด็กๆชั้นประถมเด็กบางคนท่องบทอาขยาให้ฟังบ้างก็ตั้งคาถามกับอาตมา มีคนหนึ่งถามถึงสาเหตุที่อาตมาออกบวชอาตมาพยายามจะตอบคำถามพวกแกอย่างดีที่สุดอย่างได้เล่าเรื่องชีวิตตอนเด็กๆของอาตมาให้พวกแกฟังด้วยตอนค่ำมีคนมาเยือนหลายคนส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาจึงมีเรื่องพูดคุยและถามไถ่ายมากมายเราคุยกันนานถึงสองชั่วโมงครึ่งทีเดียวต่อไปนี้อาตมาจะเลิกบ่นว่าไม่ค่อยมีใครสนใจกรรมาฐานเสียทีเราทากิจกรรมให้คาปรึกษาเป็นกลุ่มด้วย ต่างคนต่างเล่าเรื่องชีวิตของตนให้กลุ่มฟังอัตมาเองก็เล่าเรื่องชีวิตและประสบการณ์ของอัตมาให้พวกเขาฟังเช่นกันผู้คนมากมายเข้ามาคุยกับอัตมาน่าแปลกที่ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอายุอย่างน้อยราวยี่สิบกว่าถึงสามสิบกว่าเรามีสนทนากลุ่มกันทุกๆค่ำส่วนตอนกลางวันก็จะเป็นช่วงที่อัตมาสอบอารมณ์าการได้เห็นคนมากมายกระตือรือร้นอยากเรียนรู้พระพุทธศาสนา และการจเจริญกรรมาฐานเป็นกำลังใจให้อัตมาอย่างมากหลายหละคนเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดีทีเดียวตอนนี้อัตมาจึงมีงานยุ่งทุกวันแต่ก็มีความสุขมากอัตมาอยากจะพบปะพูดคุยกับผู้คนดีใจที่ตัวเองเป็นมิตรดีของพวกเขาได้เวลาที่ให้แก่พวกเขาจึงไม่สูญเปล่าแม้การเดินทางจะไม่สะดวกกับอัตมาแต่ก็คุ้มค่ากับความยุ่งยากมีผู้คนมากมายทุ่มเทเสียสละ อาตมาจึงอยากตอบแทนบ้างทั้งหมดที่ให้ได้ก็คือความเมตตาความรักและความปรารถนาดีความเข้าใจและคําแนะนำเฉะนั้นถ้าพวกเขามาหาอาตมาไม่ได้อาตมาก็พร้อมเจาะออไปหาพวกเขาผู้คนมากมายมาหาอาตมาเกือบทั้งหมดเป็นคนหน้าใหม่ตอนนี้อาตมารู้แล้วว่าพวกเขามองหาอะไรอยู่เขาอยากจะพบผู้ที่เป็นทั้งกัลยาณมิตรและครูที่เขาจะปรึกษาถกเถียงได้อย่างอิสระ ในแบบที่เขาจะเข้าใจได้ไง่ายๆอัตมาหวังจริงๆว่าจะเติมเต็มช่องว่างนี้ให้พวกเขาได้ในระดับหนึ่งอาตมาใช้ช่วงเช้าไปเยี่ยมบ้านผู้คนไปฉันเช้าที่บ้านของพวกเขารับฟังความทุกข์ของเขาแล้วให้คำแนะนาที่คิดว่าเหมาะสมกับกรณีนั้นๆโลกนี้ช่างโกรนเกลื่อนไปด้วยความทุกข์การยอมรับสิ่งที่เล็กเลี่ยงไม่ได้คือหัวใจสาคัญของจิตที่สงบสุข เมื่อถึงคราวที่อาตมาจะมาเยี่ยมเยือนบ้านของคุณบ้างคงแค่มาฟังคุณเล่าเรื่องราวต่างๆและก็พูดคุยกับคุณและเพื่อนๆอาตมาเป็นได้เพียงเพื่อนหรือพี่ชายแต่ไม่ใช่ครูคงไม่สามารถจะชักชวนให้ใครๆปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าเขาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วหรืออยากจะได้คำแนะนาอาตมาก็ยินดีช่วยบทบาทของครูมีแต่ความทุกข์อาตมาคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอไปสวมบทบาทนั้นเข้า ตอนนี้อาตมามีความสุขพอแล้วกับการได้เป็นภิกษุธรรมดาๆ ร, ร, รูปหนึ่งในวัดป่าที่ปลูกเอาเองอย่างง่ายๆกลางดินแดนซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักอาตมาเกือบจะลืมเลือนสิ่งที่ได้อ่านจากหนังสือและตำราไปหมดแล้วไม่อยากจะจดจำอะไรไว้มากเกินไปอาตมาชอบให้จิตว่างใสสะอาดเบาสบายไม่หนักอึ้งไปด้วยสิ่งที่เรียนรู้มาไม่มีสิ่งใดที่อยากจะพิสูจน์หรืออยากจะปกป้องแก้ต่างให้และไม่มีสิ่งใดที่อยากจะเผยแพร่ คนเราเต็มไปด้วยความปรารถนาทยานอยากอันขัดแย้งส่วนใหญ่ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอยากจะทําอะไรเปลี่ยนใจกลับไปกลับมาเป็นร้อยเที่ยวความไม่แน่นอนคือกฎทองรู้หรือไม่ว่าคุณเป็นคนอ่อนไหวรู้ไว้ด้วยว่าคนอ่อนไหวเป็นคนทุกข์ง่ายแต่เรียนรู้ได้ลึกซึ้งกว่าคนที่รู้สึกช้าที่คุณถามว่าท่านอาจารย์เชื่อใจคนอื่นไหมหากความเชื่อใจแปล ว, ว่ามั่นใจได้ว่าเขาจะไม่ทําอะไรที่ก่อผลร้ายต่อเรา คงต้องตอบว่าอาตมาเชื่อใจได้อยู่เพียงไม่กี่คนมีเพียงพระอราหันต์เท่านั้นที่ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่นําตัวไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นส่วนคนอื่นๆไม่มีใครทำได้อหรอกชีวิตจะสุขสงบขึ้นมากหากเราหยุดเปรียบเทียบว่าเรามีอะไรและไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นบ้างเราคงจะมีชีวิตที่แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ในตอนนี้มากทีเดียวเรามีชีวิตอยู่อย่างความรู้สึกต่อต้านตลอดมาต่อต้านชีวิตต่อต้านความตาย ต่อต้านความเจ็บปวดและสูญเสียต่อต้านความรักจริงอย่างที่สุดการยอมรับเป็นเรื่องยากตอนเด็กๆหาเป็นเช่นนี้ไม่ตอนเติบใหญ่นี่ต่างหากจริ ง, งรู้จักต่อต้านอาตมาค่อนข้างกังวลว่าคุณเป็นอย่างไรกันบ้างความไม่แน่นอนชวนให้เหน็ดเหนื่อยเป็นที่สุดที่ห่วงก็คือสุขภาพของพวกคุณหาราแข็งแรงดีก็เผชิญหน้าได้ทุกอย่างไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใด คุณควรเดินออกกําลังกายกันให้มากเลือดลมจะได้ไหลเวียนทั่วร่างกายระวังอย่าเดินเร็วไปหรือช้าไปยามใดก็ตามที่อาตมารู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายจะเป็นที่ปวดหรือในกระเพาะหรือหากนอนไม่ค่อยหลับมึนงงอาตมาก็จะเดินออกกําลังกายด้วยความเร็วปกตินี่แหละสักสอถึงสามชั่วโมงมันจะค่อยยังชั่วขึ้นแม้แต่เวลาที่มีอาการอักเสบบางอย่างวิธีนี้ก็ช่วยให้หายเร็วมากยิ่งขึ้นปกติแล้ว อาตมากับอูอิสริยะจะเดินออกกำลังกายด้วยกันในตอนเย็นๆประมาณสองถึงสามชั่วโมงส่วนใหญ่เราเดินคุยกันเรื่องธรรมชาติของจิตบางครั้งก็คุยถึงสิ่งที่คนเราให้คุณค่าสูงสุดในชีวิตว่ามันมีส่วนกล่ำกล่าวความรู้สึกนึกคิดของคนคนนั้นออกมาอย่างไรบ้างทุกๆสิ่งทุกๆคนและทุกๆที่ต่างก็มีทั้งด้านดีและด้านเลว อย่างที่เรามองเห็นด้านเลวของบุคคลหรือสถานที่ใดๆอย่าลืมมองด้านดีไว้บ้างส่วนใหญ่เรามักจะมองกันด้านเดียวและเมื่อเราอารมณ์เสียกับสิ่งใดเราก็มักจะขยายภาพความเลวร้ายนั้นออกไปจนใหญ่โตเช่นเดียวกับเมื่อชอบ อ, อกชอบใจเราก็มักขยายภาพความดีนั้นเลิศจนเกินจริงเสมอความสามารถในการปรับตัวจําเป็นยิ่งต่อการมีชีวิตรอดความเข็นตรงร้ายการยืดหยุ่นเป็นอันตรายยิ่ง พึงยึดหลักประนีประนอมในทุกๆสิ่งยกเว้นหลักการของความซื่อสัตย์คุณกล่าวว่าท่านอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปมากก็จริงอยู่แต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของกระบวนการเท่านั้นเองถ้าเราไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์เก่าๆของตัวเราคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกเป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปเรื่อยๆแถมยังรู้สึกหนุ่มขึ้นด้วยความเก่าก็คือความแก่แต่ความใหม่คือความยาวอยู่เสมอ การเรียนรู้มันช่างเจ็บปวดการต้องยอมรับในความจริงก็รุดร้าวเช่นกันหากแต่นั่นคือหนทางที่เราเติบกล้าขึ้นเราต้องถอยห่างออกมาเพื่อมองสิ่งต่างๆให้ชัดเจนขึ้นจึงจะซึมซับมันได้ยามใดที่เรากระโจนลงไปคลุกกับสิ่งที่ประสบอยู่โดยใช้แต่อารมณ์คุณจะไม่มีทางเข้าใจมันได้เลยเข้าใจข้อจากัดของคุณได้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนก็เท่านั้นเองอัตมาไม่อยากจะมุด เข้าไปอยู่ในรังลกพิราบมนันอึดอัดเกินไปอาตมาต้องการเป็นไทยจากฉายาและชื่อเสียงทั้งหลายอาตมาคือตัวอาตมาเองไม่ต้องการมีใครมาจัดจำแนกแยกประเภทให้คุณรู้ไหมว่ารากศัพท์ของคำว่าแคเเต e g กรีประเภทคืออะไรมันมาจากภาษากรีกและลาตินแคเเต e g o r ี Also วไค n ์ s of พิเด c คชั o นอ c ก r คอร์อักเรรากศัพท์ จากภาษากรีกและภาษาลาตินหมายถึงการกล่าวหาการยืนยันการพูดต่อต้านในที่สาธารณะด้วยเหตุนี้ประเภทของคนจึงสําคัญน้อยลงทุกทีสําหรับอาตมาเช่นชาวพุทธนี่ก็เป็นการแยกประเภทอีกเช่นกันอาตมาไม่ชอบให้ใครมาจับประเภทอาตมาไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีหรือแง่ร้ายจิตใจของอาตมาเป็นอิสระจากการแยกประเภททั้งหลาย ไม่สนใจทั้งกลุ่มดีกลุ่มเลวหรืออะไรทือกเทือกนั้นอาตมาอยากจะมองสภาวธรรมทั้งหลายตามธรรมชาติที่แท้จริงโดยไม่สนใจจะตั้งชื่อให้มันหวังว่าคงไม่มีใครอนุมาเรตีความอาตมาไปผิดผิดชื่อเสียงเริงนามนั้นสําคัญนักรับางการณีการตั้งชื่อตั้งกลุ่มมันกลายเป็นการกล่าวหาว่าร้ายกันด้วยซ้ําไปอีกเรื่องที่อาตมาอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องความคาดหวัง เรารู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันเป็นจริงไปได้เหตุใดเราจึงไม่อยู่กับความเป็นจริงใหญ่จึงต้องคาดหวังด้วยสาเหตุก็เพราะความคาดหวังทยาทยานอยากมีอยากเป็นมันช่วยให้คนเราสบายใจเมื่อใดที่คนเราคาดหวังในสิ่งดีและสูงส่งขึ้นไปก็มักจะหมายว่าตนประเสริฐไปด้วยแต่การคาดหวังทยอทยานก็อาจกลายเป็นการหลอกลวงตนเองและเป็นสาเหตุของความผิดหวังได้เหมือนกันในบางครั้ง พระพุทองค์ตรัสว่าพระอระหันต์สามารถเอาชนะความนึกคิดและความเห็นได้ชีวิตช่างเต็มไปด้วยความนึกคิดและความเห็นแต่เราก็ไม่เคยมั่นใจอะไรได้สักอย่างเดียวได้แต่พูดพูดพูดและพูดพบได้ในขุทธ ะ, ะนิกายสุตตานิบาตอัทธกวัตรสุทธทธกสูตรทุตทธกสูตรปรมัทธกสูตรจุลพยุหสูตมหาพยุหสูต แม้ว่าในหัวอาตมาจะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลและความคิดแต่อาตมาก็ยังอยากจะรู้เพิ่มขึ้นอีกแม้ในใจจะเต็มไปด้วยเรื่องมากมายแต่แก่นของสิ่งที่อาตมาได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดกับถ่ายทอดเป็นคำพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้อาตมาเข้าใจดีว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้มองชีวิตอย่างผิวเผินและรู้ตัวดีว่าอาตมาคงช่วยอะไรไม่ได้มากกว่านี้ตัวอาตมาเองยังคงทำอะไรผิวเผินอยู่เหมือนกันในบางครั้ง จะให้คนที่ขาดสติทําอะไรได้ดีไปกว่านี้หรือตอนนี้อาตมากําลังอ่านหนังสือยุโรปในยุคเลนสองที่คุณส่งมาให้การได้อ่านประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจมนุษย์ได้กว้างและลุ่มลึกขึ้นได้เห็นความคิดและอุดมการ์มันค่อยๆแปลเปลี่ยนมาอย่างไรมนุษย์สร้างทุกข์ขึ้นมาอย่างไรและยึดติดอยู่กับความคิดความเห็นที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างไรการผูกตัวตนเข้าไปกับความคิดเห็นศา ส, สนาเชื้อชาติ ก่อให้เก e. ิดความขัดแย้งและความทุกข์อย่างมหันาลการสร้างภาพของตัวตนเป็นเหตุแห่งความแบ่งแยกและความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าการที่คนบางคนเขียนบทความขึ้นมานั้นเขาเขียนขึ้นมาจากความคิดของเขาเองหรือจากสิ่งที่เขาเคยอ่านมาที่ไหนสักแห่งและหากบทความนั้นเขียนขึ้นมาด้วยใจจากประสบการณ์ของเขาเองคุณสัมผัสความแตกต่างนั้นได้หรือไม่คุณเคยนึกถึงที่มาที่ไปของปัญหาที่คุณประสบอยู่ขณะนี้บ้างไหม เห็นหรือไม่ว่าการละเลยรากเหง้าของปัญหามันโยงใหญ่มาเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญในวันนี้ได้อย่างไรคุณเจ็บปวดเสียดายหรือเสียใจบ้างไหมคุณรู้สึกแทนผู้อื่นได้บ้างไหมหากเราเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ได้ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเคยสังเกตภาพลักษณ์ที่คุณอาจจะมีอยู่บ้างไหมไม่ว่าจะเป็นแบบในอุดมคติแบบบุคคลตัวอย่างแบบตัวตนแท้ๆหรือแบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามแต่บุคคลที่คุณพบ รวมแล้วคุณมีภาพลักษณ์กี่แบบและคุณสามารถรวมทั้งหมดประมวลเข้าเป็นภาพลักษณ์หนึ่งเดียวได้อย่างไรการมีภาพลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวมันเป็นได้จริงๆหรือถ้าเฉะนั้นตัวตนที่สุดแสนสําคัญนี้มันคือใครกันคุณเคยพบคนที่มีภาพลักษณ์เดียวเสมอไม่ว่าจะอยู่กับใครที่ไหนและในสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมแบบใดบ้างไหมเมื่อบุคคลเริ่มตั้งฉายาให้คุณคุณจะเริ่มเชื่อในฉายานั้น แล้วจะเริ่มดำรงชีวิตไปตามแบบที่เขาพูดถึงคุณหรือไม่มุมมองที่ผู้คนมองคุณนั้นถูกหรือผิดมากน้อยเพียงใดถูกปิดเบือนหรือผิดพล า, าดข้าเคลื่อนไปมากแค่ไหนส่วนคุณละ่ะเคยมองผู้อื่นแบบผิดพลาดหรือบิดเบือนไปจากความจริงมากน้อยเพียงใดคุณเคยสังเกตรหรือเปล่าว่ามีผู้คนจํานวนไม่น้อยเลยที่จงเกลียดจงชังความชั่วร้ายแต่กลับกลายเป็นตัวชั่วร้ายเสียเองเพราะอะไรหรือ อาตมาคเคยเห็นหลายรายทีเดียวที่เอาแต่เฝ้าระวังความชั่วร้ายของคนอื่นแต่ไม่เคยเห็นความชั่วร้ายในตัวเองที่ความชั่วของตัวเองกลับหันหลังให้จริงหรือไม่หากจะกล่าวว่าการประนามผู้อื่นเมื่อชั่วร้ายก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าเหนือกว่าคนอื่นนั้นและเจอตัวความรู้สึกว่าตนดีกว่าเหนือกว่านี่แหละที่ทําให้เข้าใจผิดไปว่าตนเองไม่มีความชั่วร้ายอะไรเสียเลยคนขี้โกหกทําอะไรได้ทุกอย่างคุณเห็นด้วยไหม คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อถูกโกหกอะไรคือความจริงและเมื่อใครคนหนึ่งล่วงละเมิดความจริงเขาสูญเสียอะไรไปบ้างผู้ที่อยู่อย่างโกหกปกลมหลอกลวงตัวเองได้อะไรขึ้นมาหากไม่สามารถดำรงอยู่กับความจริงบุคคลผู้นั้นจะพัฒนาจิตใจตัวเองต่อไปได้อย่างไรหากสภาพจิตใจและอารมณ์ยังคงอยู่ในระดับทารกที่ยังไม่พัฒนาบุคคลนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรสภาพจิตอย่างนั้นจะเพลิดเพลินพอใจอะไรจริงๆได้หรือ หากพบกับคนคนหนึ่งที่มีบุคลิกสุดขั้วสองอย่างในตัวคุณจะวางตัวอย่างไรกับเขาคนที่มีทั้งความอ่อนโยนและห่วงใหญ่แต่ขณะเดียวกันก็สามารถจะเย็นชาตายด้านเจ้ากี้เจ้าการเห็นกับตัวไร้ความเกรงใจไร้ความคิดและไร้เหตุผลควบคุมไม่ได้รั้งก็ไม่อยู่และชอบทําลายคุณเคยพบคนแบบนี้บ้างไหมอาตมาเคยพบมาแล้วสองสามรายและยังนึกไม่ออกเลยจริงๆว่าควรจะทําอย่างไรกับพวกเขา ถ้อยคาล้วนแต่มีความหมายคลุมเครือและสื่อสารได้ไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างก็สื่อสารโดยใช้ถ้อยคําไม่ได้หลายการณีทีเดียวที่ถ้อยคําถูกใช้เพียงเพื่อสร้างความประทับใจแต่ความหมายช่างห่างไกลจากความเป็นจริงทําอย่างไรจรึงจะเข้าใจตนเองได้ทะลุปุกโ่งหากยังไม่รู้จักตัวเองและจะรู้จักผู้อื่นทั้งยังหวังให้ผู้อื่นรู้จักตัวเราได้อย่างไรคุณเคยถามตัวเองถึงสาเหตุที่กระทําบางสิ่งบางอย่างลงไปบ้างไหม ว่าอะไรคือแรงจูงใจหรือศักดิ์จะทำลงไปเหมือนมีใครชักใจให้คุณทำโดยมิพักหยุดคิดว่ามันคือกุศลหรืออกุศลส่งผลดีหรือผลร้ายจริงหรือไม่ที่นิสัยเก่าๆบวกกับแรงกระตุ้นเพียงนิดหน่อยก็ควบคุมเหนือคุณได้แทนที่คุณจะเป็นผู้ควบคุมตัวเองให้อยู่เหนือนิสัยและความคุ้นเคยเหล่านั้นมันไม่ส่งผลดีและความสุขใดๆได้เลยคุณคิดว่าโลกนี้มีคนที่เห็นตรงจนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใดๆเลยหรือไม่ จิงหรือที่มนุษย์เราอ่อนแอจนไม่ยอมและไม่อาจเปลี่ยนตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ยอมตกเป็นทาสของนิสัยและความเคยชินเก่าๆอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไร้การเปลี่ยนแปลงก็ย่อมไร้วันเติบโตการให้อภัยมีความหมายอย่างไรกับคุณบ้างคุณยกโทษให้ตัวเองกับคนอื่นได้หรือไม่คุณเคยพบความอายุติธรรมมากเพียงใดและคนอื่นๆละ่ะคุณร้ายความยุติธรรมกับเขาไว้มากไหมคุณคิดว่าการพยายามแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของตัวเองมันคุ้มหรือไม่ หรือพอใจจะยึดติดอยู่กับภาพลักษณ์เก่าๆของตัวเองเพราะหากจะยอมเปลี่ยนแปลงมันก็จะทำร้ายตัวตนของคุณมากเกินไปคุณมองเห็นประโยชน์ของการปล่อยวางภาพลักษณ์และตัวตนที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ของตัวเองและผู้อื่นบ้างหรือไม่ความเมตตารักและปรารถนาดีคืออะไรหรือเราจะแปลเปลี่ยนคุณธรรมข้อนี้มาเป็นการการะทาในชีวิตประจาวันได้อย่างไร ก่อนลงนอนคุณเคยทบทวนการกระทําของคุณตลอดวันที่ผ่านมาทั้งกุศลและอกุศลบ้างหรือไม่เคยตั้งปณิธานที่จะหลีกเลี่ยงไม่ทําอกุศลอีกในวันข้างหน้าบ้างไหมถ้าคุณรังเกียจเงามืดของตอนเองและเอาแต่วิ่งหนีมันสังเกตรหรือไม่ว่าตราบใดที่มีแสงสว่างตราบนั้นเงามืดก็ไม่เคยห่างกายคุณมันตามคุณไปทุกผลทุกแห่งแต่แปลกที่แสงสว่างเองกลับไม่มีเงา คุณจะวิ่งหนีเงาตัวเองไปนานเพียงใดยัยไม่ลองหวนกลับมาดูเงาให้ชัดๆมันอาจเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยรู้จักหรืออาจเป็นสิ่งที่เพียงแค่แวบผ่านก็ทําให้คุณเจ็บปวดหรือขาดกลัวเกินกว่าจะสํารวจลึกลงไปคุณจะแก้ไขปัญหาและปริศนาในชีวิตได้อย่างไรหากคุณไม่ยอมรับมันให้ได้เสียก่อนคุณกล้าหาญพอที่จะเผชิญหน้ากับตัวตนจริงๆของมันปลดปล่อยมันออกมาแล้วหันหลังเดินทิ้งมันไปได้หรือไม่ พึงตื่นรู้อยู่เสมอคุณจะแก้ไขปัญหาและปริศนาในชีวิตได้อย่างไรหากคุณไม่ยอมรับมันให้ได้ซะก่อนคุณกล้าหาญพอที่จะเผชิญหน้ากับตัวตนจริงๆของมันปลดปล่อยมันออกมาแล้วหันหลังเดินทิ้งมันไปได้หรือไม่พึงตื่นรู้อยู่เสมอหากมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยปฏิเสธไม่ยอมรับและพยายามตีตัวออกห่างสิ่งแรกที่เกิดคือความกลัวช่วงนี้เหมาะอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเข้าไปสำรวจมัน มันซ่อนอยู่ในจิตไร้สำนึกของคุณเองและพร้อมจะคุกขึ้นมาตอนไหนก็ได้ทั้งสิน้นคุณกล้าเผชิญหน้ากับมันไหมสังเกตรหรือไม่ว่าการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างมักจะยากเสมอแต่เมื่อลองทำไปสักสองสามครั้งมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับการเจริญสติยากยิ่งในตอนต้นจิตยังยึดติดขนทางเก่าๆที่สาพล่าสุดจะทนขอเพียงอย่าหยุดเพียนสติจะเวียนเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติมันฝึกจึงสาเร็จ เห็นด้วยไหมคุณเห็นว่ากรรมมีผลอย่างไรในชีวิตของเราบ้างมันวกกลับมาเหมือนมุมแมลงไหมชีวิตมีความหมายอย่างไรกับคุณและชีวิตเรียกร้องอะไรไปจากคุณบ้างตอบได้ไหมว่าทําไมคุณจึงเกิดมาอยู่ตรงนี้ในที่ซึ่งคุณเรียกว่าชีวิตแล้วคิดหรือไม่ว่าโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แทนที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือต่ําใต้กว่านั้นช่างล้ําค่าปานใดยามที่คุณลงมือกระทําอะไร คุณใคร่ครวญถึงผลลัพธ์เสียก่อนหรือเปล่าหรือว่าทําไปตามแรงผลักดันสังเกตไหมว่าเหตุใดเราจึงต้องตัดสินใจบ่อยเหลือเกินคุณใช้อะไรเป็นบรรทัศนในการตัดสินใจบ้างเราต่างก็หวังจะได้รับความเมตตากรุณาความเข้าใจและความรักจากผู้อื่นและเราละ่ะพร้อมจะให้ผู้อื่นได้บ้างไหมหากมีชีวิตได้อีกเพียงเดือนเดียวคุณจะเลือกทําอะไรคุณคิดอย่างไรกับความตายชีวิตจะมีความหมายและสมบูรณ์ได้อย่างไร หากปราศจากความทุกข์และความตายคุณเรียนรู้จากความทุกข์ได้มากเท่าใดแล้วทั้งจากทุกข์ของคุณเองและของผู้อื่นยามหลับหลายคุณฝันบ้างไหมจําได้บ้างหรือเปล่าสังเกตรหรือไม่ว่าฝันถึงเรื่องใดบ่อยๆเห็นหรือไม่ว่าจิตสํานึกมีผลกระทบต่อจิตไร้สํานึกในความฝันของเราอย่างไร